กุโทวะสวัสดีค่ะท่านข่าว FM 106 ดิฉันสสณีน่าภูมิระเหมราย สมัยนี้เค้านิยมมากนะคะที่จะสํารวจความคิดเห็น 75% ที่โดยบอกว่าก็มันลงปฏิทินว่ามีคนที่ไม่รู้เหมือนกันวันนี้อืมโดยบอกว่าก็มันลงปฏิทิน 51.9% บอกส่วน 48% บอกไม่รู้อืม จะ 13% อยากไปไงก็ต้องไปให้ได้เงี้ยนะคะอืม <c oughs> ส่วนอันนี้ดิฉันจะพยายามเล่าให้เป็น <c oughs> 37% ขอให้ 36% ขอให้ตัวเอง 20% อยาก ประชาชนคนไทยอยู่ในประเทศที่สุขสงบ 5% อยากให้อุทิศให้กับเจ้า ความคิดเห็นแบบพระพุทธองค์เนี่ยจะได้ข้อธรรมอะไรปรากฏบ้างเนี่ยเป็นค่ะเอ่อ 1,73 คนอืมเป็น เอ่อเราจะต้องควรจะต้องสอนวัยรุ่นหรือว่าคนที่ตามมาในภาย เพื่อให้เขาคิดถูกเค้าคิดถูกแต่ไม่ใช่ <Okay. S 1> 40 กว่าเอ่อ 50 นิดๆ 51% ที่บอกว่าเออเห็นความสําคัญใช่มั้ยแต่ 40 กว่าไม่ 70% ที่จะไปฟัง ทำบุญโดยไม่รู้ตัวว่าตัวค่ะแต่รู้ว่าเอ้ยสําคัญเออฉันไปเห็นที่คิดว่าวันนี้ไม่สําคัญจริงๆความหมายที่น่าจะว่าอืมมี ถูกต้องเอ่อหมายความว่าต้องต้องถ้าพูดให้ถูกหมดนะคือถ้าบอกเราบอกว่าทุกวันก็ไม่สําคัญเท่ากัน นะคือวันสําคัญมันก็สําคัญเอ่อเป็นการรําลึกถึงเฉยๆแต่ถ้าวันนี้เท่า <Okay. S 1> พอแม่มีความสุขอะไรอย่างงี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีเจอแต่<ใช><า> ได้ทั้งเรื่องเรียนเรื่องก็ถามว่าเหตุอะไรล่ะที่ทําให้ถูกค่ะกระเท่ากับว่าเท่ากับว่าขอใช่ถ้าอาจารย์ สร้างเหตุด้วยอย่างงั้นมั้ยคะค่ะค่ะนะคะอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากโพในบางส่วนคือวันอาสานัง อาจจะทราบบ้างที่ว่าอืมธรรมจักรกปวตนะสูตรแต่ว่ายังควรที่จะทราบให้ถูกต้องท่อง 8 คือ 8 นั่นก็ <ฮ ะ. S 1> นะสมัยที่พระพุทธเจ้ายังอยู่นี่เป็นวันที่มีเอ่อวันสําคัญอันหนึ่งก็คือการที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมเทศนาอันนี้คือรายละเอียดที่เราทราบนั้นคือ 2 เดือนก่อนนะพระพุทธองค์เอ่อตรัสรู้นะตรัสรู้แล้วก็ 2 เดือนนะ 2 เดือน อันนี้น่าสนใจค่ะ 2 <Okay. S 1> เดือนที่เมื่อเด 2 เดือนที่แล้ว 2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมันมีเหตุการณ์ นะจนช่วงท้ายๆของ 2 เนี่ยเอ่อก็พอใครครวนพิจารณาๆนะถ้าเราแสดงธรรมไปแล้วคนอื่นไม่รู้ตามนี่จะเหนื่อยเปล่าแกเราก็เลยจิตเนี่ยก็เลยน้อมเกรือน้อมไปในทางขวน นะตามไม้ความว่าอาจจะแสดงอยู่แสดงแต่ นายเห็นพุทธเจ้าเนี่ยเอ่อขึ้นคือหมายความว่าแสดงธรรมถ้าคุณโยมติ๋วเคยเห็นเอ่อเขาวงกดของหนูเห็นหนู นะแต่ตั๋วบรองเนี่ยอยู่บนข้องั้นขาแล้วฉันงอนผ่า <Okay. S 2> สมัยก่อนสักก่อน 20 ปี 30 ปีมาแล้วสมัยเนี้ยไม่เคยเห็นล่ะเอ่อเค้าก็ นายยีนะกับพระเจ้าอย่างงี้พระเจ้าก็ไม่ได้ว่าเออออ ธุลีดงตานี้ก็เหมือนกับว่าเอ่อฝุ่นผงนะถ้าสมมุติว่ามันมันยากเพราะว่าตาเราก็ปิดอยู่อีกตาข้างนึงก็มองไม่เห็นเราต้องให้คนอื่นเนี่ยช่วยเอาออกให้ อ่าเรียกว่าต่อให้ไม่ต่อให้เห็นพระพุทธเจ้าต่อให้ได้ยินธรรมะถึงแม้จะไม่เห็นพระพุทธเจ้าถึง 3 ต่อเมื่อได้เห็นต่อเมื่อได้ ไม่ได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าจะไม 3 นี่คุณโยม 3 เนี่ยจึงต้องแสดงธรรมแก่ที่ 1 และคนประเภทที่ 2 ด้วยอันนี้ต้องถามว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนประเภทไหนนะเราเป็นคนประเภทไหนถ้าสมมุติ คุณเป็นคนประเภทที่ 3 นี่เป็นคนประเภทที่ 3 ที่ฤชาแสดงธรรมเพื่ออุทิศคนพวกนี้นะเฉพาะเจาะจงแก่คุณไหนละว่า แต่ถ้าเราเป็นคนประเภทไหนนี่คือต้องพิจารณาตรงนี้ค่ะดังนั้นอ่าในเวลาอันจํากัดนี้ก็เพียง อย่างงั้นใช่มั้ยคะต้องขอบคุณสหัมบดีพรมนะคะๆวันให้ อ่ะสิ่งที่ท่าน